ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไปช่วยเขาสอนในคอร์สคนจีนช่วงนี้มีคนจีนมาเรียนธรรมะที่เมืองไทยเยอะรู้สึกว่ามีมีเกร็ดบางอย่างที่ทจะมาเล่าจริงมีเยอะนะ อันนี้มาเป็นบางเกรดมีบางเกรดมาเล่าให้ฟังมีช่วงหนึ่งรู้จักอาจารย์ประสานไหมอาจารย์ประสานเป็นคารวาสเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อประโมทก็ไปสอนจะเป็นคนหลักเลยก็ได้ที่สอนในในคอร์สของคนจีนมีช่วงหนึ่งก็พูดถึงเรื่อง เวลาล่วงเกินเวลาล่วงเกินครูบาอาจารย์ถ้าท่านยังอยู่ให้รีบไปขอเข้ามาหรือล่วงเกินใครก็ตามเราเราดูไม่ออกหรอกว่าใครเป็นพระอริยะใครมีคุณธร ร, รมแค่ไหนยังไงอะไรย่างี้นะไปล่วงแล้วเมื่อเขาเขาเกิดเป็นคนที่มีคุณธรรม <S <S มีคุณธรรมมากเราก็จะ มีโทษมากยิ่งถ้าท่านมีคุณธรรมสูงสูงเป็นพระอริยเจ้าแล้วเนี่ยก็ทำให้กรรมนั้นติดค้างเหมือนมีแผลในใจพูดสอนคนจีนเองนะคนแปลพอพูดสอนคนจีนพูดด้วยภาษาไทยจะให้คนจีนเข้าใจต้องมีคนแปล คนแปลก็คือคนที่ไปเรียนธรรมะด้วยกันเขาก็แปลไปแล้วก็แวบเข้ามาในใจเขาเคยบวชก็เคยบวชอยู่ที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนรูยจากหลวงพ่อคำเขียนมเพิ่งเพิ่งจะมรณภาพไปเลนะเา้าเป็นคนจีนฟังฟังหลวงพ่อคำเขียนหลวงพ่อคำเขียนเคยไปสอนที่เมืองจีน เขาก็ศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาก็มาเมืองไทยมาบวชเลยมาบวชก็ได้รับความอนุเคราะห์รับความเมตตาจากหลวงพ่อคำเขียนนี่แหละบวชเมืองไทยอยู่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอยู่ถึงสี่ปีแล้วก็ศึกศึกมาแล้วก็มาคิดถึงคนจีนก็ชวนคนจีนมามาม า, มาเรียนธรรมะพอถึงคำสอนตรงที่ว่าไปล่วงเกิน และอาจารย์ประสานก็บอกว่าคำร่วงเกินเนี่ยไม่ใช่ด่าอย่างเดียวนะไม่ใช่ด่าด้วยคำหยาบอย่างเดียวบางทีก็พูดไม่หยาบหรอกแต่ใจอ่ะเจตนามันมีการกระทบกระทั่งมีมีความไม่เคารพมีความไม่อ่อนน้อมมีความกระด้างกระเดือ ง, องประมาณนี้นะเขาค้นึกแว บ, บขึ้นมาว่าใช่ก็เคยเคยคิดกระด้างกระเดืองเคยคิดไม่พอใจหลวงพ่อคาเขียนขึ้นมา พอเสร็จจากการบรรยายนั้นแล้วเนี่ยก็ชวนมาปรึกษาแล้วก็ชวนกันว่าจะทำยังไงดีเพราะหลวงพ่อคำเขียนมรณภาพแล้วไปขอเข้ามากระท่านไม่ได้แล้วก็เลยบอกว่าก็ชวนกันขอเข้ามาพระรัตนตรยัยไปที่โต๊ะหมู่ที่ที่คอร์ส ม, มีโต๊ะหมู่มีพระพุทธรูปมีรูปครูบาอาจารย์ก็ชวนกันไปที่ หน้าโต๊ะหมูแล้วก็กราบขอเข้ามาพระรัตนตรยัยพอกราบขอเข้ามาตอนกราบขอเข้ามาก่อนจะกราบขอเข้ามาเนี่ยเล่าเล่าก่อนเล่าก่อนว่าตัวเองเนี่ยไปทำกระด้างกระเดื่องหรือไม่นอบน้อมแบบไหนขึ้นมาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากศึกแล้วก่อนจะทำคอรสครั้งที่หนึ่งมีจีนมาเข้าคอรสแล้วครั้งเลยนะก่อนเข้าคอรสครั้งที่1เนี่ย หลวงพ่อคำเขียนก็ป่วยมากก็ไม่แน่ว่าจะจะมรณาภาพหรือจะสิ้นไปเมื่อไหร่คนเนี่ยเขชื่อชื่ออะไรดีชื่อ2เป็นคนจีนพอมาอยู่เมืองไทยเนี่ยคนไทยเรียกชื่อยากอาจารย์กำพลก็เลยตั้งชื่อว่า2ให้ให้เรียกชื่อง่ายๆหน่อยตอนหลังไม่ชอบชื่อ2เพราะว่า2เนี่ยมันเหมือนกับว่า เรียนเวลาตอนฝึกสติเราจะเห็นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เป็นสองอย่างใช่ไหมแล้วพอฟังธรรมะไปบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นรวมเป็นหนึ่งเป็นจิตหนึ่งเขาไม่อยากเป็นจิตสองอย่างนี้เขาอยากจะเป็นจิตหนึ่งขอเปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งเได้สองชื่อเลกสองก็ต้องหันเลขหนึ่งก็ต้องหันถามเขาอยากได้ชื่อนึงไหมเขาบอกว่าคนชื่อสองเลยนะ เขาบอกว่าก่อนเข้าคอร์สครั้งที่1นเนี่ยนะอยากจะไปกราบหลวงพ่อคําเขียนเป็นครั้งสุดท้ายก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสไปกราบหลวงพ่อคําเขียนอีกเมื่อไหร่ทำคอร์สแล้วอาจจะไม่มีโอกาสไปกราบแล้วก็ได้ก็เลยขึ้นไปกราบหลวงพ่อคําเขียนตอนสุดท้ายเนะี่ยท่านเจาะคอพูดไม่ไดไ้ได้แต่เขียนอย่างเดียวแล้วก็ คนขึ้นไปกราบก็ต้องกราบห่างๆเพราะว่าเจาะคอเนี่ยจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อสองไปกราบสองหรือหนึ่งเนี่ยคือคนเดียวกันนะก็ <c oughs> ขึ้นไปกราบปรากฏว่าหลวงพ่อก็แค่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้ซึ่งปกติใช่ไหมก็ <c oughs> พูดไม่ได้ได้แต่เขียนแล้วก็ห้ามเข้าใกล้ก็อยู่กราบอยู่หา ง, หางก็พยักหน้าให้แค่นี้ แล้วสองก็เลยลงไปพระอุปถาคก็ถามเป็นไงสองหลวงพ่อว่าไงบ้างสองก็น้อยใจบอกหลวงพ่อไม่เห็นว่าอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยยิ้มให้อย่างเดียวพยักหน้าแล้วก็พอแค่นี้ไม่ได้คุยอะไรเลยในใจเนี่ยน้อยใจในใจเนี่ยน้อยใจแล้วไม่พอใจว่าโหเราเนี่ยนะอุตส่าห์เดินทางจากศรีราชาไปกรุงเทพต่อรถไปชัยภูมิ ไปกราบท่านท่านพยักหน้าให้และยิ้มให้นิดนิดนึงเท่านั้นเองไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยตัวเองเนี่ยนะเหมือนกับว่าน่าจะมีอะไรพิเศษมากกว่านี้อีกหน่อยนึงนึกในใจว่าน้อยใจแค่นี้เองนะคำตอบที่ให้กับพระอุปถากเนี่ยบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยหลวงพ่อไม่ได้ว่าเลยเลยแค่ยิ้มแต่ใจเนี่ยไม่นอบนอบ้อม พอเขาเริ่ึกถึงตรงนี้ได้เนี่ยเขาเห็นแผลในใจเขาเห็นแผลในใจว่ามันมีแผลอยู่ถ้าอันนี้นะนะไม่ได้ไม่ได้ทำการแก้ไขเนี่ยมันจะติดค้างเคยรู้สึกงั้นไหมเราเคยทําร้ายหรือคิดร้ายหรือว่าพูดร้ายกับใครแล้วเราไม่ได้ขอขอมา ก, กันมันจะติดค้างอยู่ในใจนอกจากว่าไปเจอคู่กรณีของเราหรือคนที่เราเคยล่วงเกินเนี่ยนะแล้ว บอกกล่าวบอกกล่าวแล้วก็ทำให้การการค้างคาใจหรือแผลในใจได้หายไปแต่2เนี่ยร่วงเกินกับหลวงพ่อคําเขียนแล้วหลวงพ่อคาเขียนท่านมรณภาพแล้วผมมรณภาพแล้วแง่หนึ่งคือเหมือนจะว่าเราจะไปกราบขอขามาท่านเนี่ยยากแต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยความคิดส่วนตัวอาตมานะ ท่านเนี่ยต้องย้าว่าความความเชื่อส่วนตัวเชื่อว่าท่านเนี่ยถึงที่สุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นระลึกตรงไหนก็ถึงท่านหมดเลยเค <laughs> ยได้ยินเรื่องจิตไม่มีขอบเขตไหมจิตพระอราหันต์เนี่ยไม่มีขอบเขตพอระลึกถึงท่านนะก็ถึงเลย <laughs> นี่เป็นความโชคลายหรือโชคดีของสองก็ไม่รู้ ก็เลยขอขามาแล้วถึงเลยหายเลยความที่ตัวเองได้ได้เล่านะแล้วได้ขอขามาพระรัตนตรยัยแผลที่ในใจตรงนั้นเขาหายเราถ้าเกิดเคยร่วงเกินกับใายไว้นะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่นะรีบไปขอขามาก่กอนหรือขอโทษขออภัยขอขามาอาจจะแรงเกินไปบอกไปขอขอขออภัยกันก็ได้ ไปเล่าไปเล่าเรื่องที่ตัวเองคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายอย่างใดก็ได้ที่เราเคยล่วงเกินกันแล้วสิ่งที่ตกค้างอยู่ในใจที่เป็นแผลเนี่ยนะมันก็จะหายหลวงพ่อคำเขียนคราวที่แล้วเนี่ยมาที่บ้านจิตสบายเนี่ยนะตรงกับช่วงที่ท่านมรณภาพประดีเลย รู้สิจะเป็นวันนั้นพอดีลูกศิษย์เนี่ยเข้าใจว่ามรณภาพแล้วเพราะว่าไม่หายใจแล้วตอนก่อนจะมรณภาพเนี่ยนะท่านยังเดินไปเข้าห้องน้ำเองนะเดินไปข้าห้องน้ำเองเดินกลับมาแล้วเขียนแล้วก็วางไว้บนโตะ๊ะข้อความนั้นบอกว่าพวกเราพวกเราหมายถึงว่าเป็นคาทักอะนะ เหมือนพระพุทธเจ้าทักกับพระภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านก็เขียนพวกเราขอให้หลวงพ่อแล้วอีกบรรทัดหนึ่งตาย <c oughs> ถ้าเราอ่านไม่ดีนะรู้ว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> พวกเรานเนี็นเป็นคำทักขึ้นมาขอให้หลวงพ่อตายรู้ด้วยท่านรู้ว่าท่านต้องตายแล้ว แต่อาการที่ท่านป่วยอยู่เนี่ยนะครูบาอาจารย์ก็เคยขึ้นไปกราบบอกว่าจิตของท่านยิ้มตลอดรู้จักจิตยิ้ ม, มั้ยจิตไม่มีปากจะยิ้มได้นะ <c oughs> จิตท่านยิ้มตลอดเวทนาที่มีอยู่ทางกายเนี่ยนะท่านไม่ต้องข่มเลยถ้ายังต้องข่มอยู่เนี่ยนะมันคล้ยๆกับว่ามันกระทบจิตแต่ตอนนี้เวทนาอยู่อันหนึ่งนะจิตอยู่ไม่กระทบกันเลย เวทนาไม่กระทบจิตเลยจิตยิ้มคนดูไปเนืนะถ้าไม่เข้าใจเนะี่ยโอ้หลวงพ่อหน้าสงสารถ้าหลวงพ่อพูดได้เจ้าละหน้าสงสาร <laughs>